สัมผัสสยองสิ่งลี้ลับในป่าลึกเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมอยู่ปหนึ่งแม้ว่าตอนนี้ผมจะอายุ21่ปีแล้วแต่ก็ยังจำเหตุการณ์นั้นได้แม่นไม่เคยลืมบ้านผมอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีติดกับป่าใหญ่ ผมโตมาจากที่นั่นในป่าครอบครัวของผมเป็นครอบครัวใหญ่มีตายายป้าแม่น้าสองคนและผมกับลูกนะ้าลูกป้ารวมทั้งหมดอีกสี่คนครอบครัวของพวกเราทำไร่ข้าวโพดซึ่งโดยปกติแล้วจะปลูกมันสำปบหลังกันแต่ปีนั้นตาแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อปลูกข้าวโพด แม้ว่าตอนนั้นผมจะอยู่แค่ปหนึ่งแต่ผมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ยิงนกตกปลาวางกับดักสัตว์เล็กๆจำพวกไก่ป่าเป็นกันแล้วบริเวณที่พวกเราไปนั้นจะเป็นแค่ป่าส่วนนอกถ้าจะเข้าไปในป่าใหญ่ก็จะต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่าเช้าวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดของผมตาของผม ได้มาชวนไปไร่เขาโพธ์ซึ่งผมก็ไม่เคยไปหรอกเพราะมันอยู่ในป่าลึกพวกเราเดินเท้าเข้าไปในป่าและได้นำสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านไปด้วยพาไปทั้งหมดห้าตัวด้วยกันเพราะพวกมันเป็นนักล่าสัตว์ที่เก่งมากระยะทางที่เดินไปนั้นมันไกลมากกว่าจะถึงก็ใช้เวลานา น, านพอสมควรเมื่อไปถึงก็เจอแม่ ป้านายายนั่งสับมันสำปะหลังอยู่โดยมีพ่ออาและลุงเป็นคนขุดมันแล้วตาก็พาผมเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อไปอยังไร่ขาโพดพอไปถึงก็เที่ยงวันพอดีก็เห็นกระตอบเหล็กๆที่ตาทำไว้นอนพักแล้วตาก็บอกกับผมว่าให้นั่งเล่นตรงนี้ไปก่อนตาจะไปเดินดูไร แต่ไม่ให้ผมไปด้วยเพราะเห็นว่าผมเหนื่อยมากแล้วก่อนไปตาบอกกับผมว่าอย่าไปเล่นที่ไหนไกลล่ะเดี๋ยวสักพักพวกแม่ของเองก็จะมากินข้าวตรงนี้แหละตาไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็จะกลับมาผมก็เลยเล่นอยู่แถวๆถวนั้นเพราะตาไปได้สักพักอยู่ๆมาผมทั้งห้าตัวก็มีอาการตกใจแปลกๆ พกมันวิ่งเข้าไปในไร่ข้าวโพดแล้วผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ที่อีกด้านหนึ่งพอผมหันไปก็เห็นหางไม้ตัวอยู่หลังกอไผ่เล็กๆติดกับต้นมะม่วงป่าม้าตัวนั้นค่อยๆเดินออกมาให้เห็นมันมีสีขาวนวลดูสวยมากผมจึงกวากมือเรียกมันให้เข้ามาถึงแม้ว่า มันจะเป็นหมาของใครไม่รู้แต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าอยากจะจับตัวมันมากๆเพราะไม่เคยเห็นหมาที่ไหนมีสีขาวที่สวยมากขนาดนี้มาก่อนแต่หมาตัวนั้นกลับเดินอ้อมไปที่หลังกอไผ่หายไปสักพักก็โผล่มาอีกด้านหนึ่งแต่สิ่งที่เห็นนั้นมันทำให้ผมตกใจเป็นอย่างมากเพราะมัน ไม่ใช่ตัวหมาที่ผมเห็นเมื่อกี้แต่มันเป็นทารกเนื้อตัวเปลือยเปล่าแถมยังเดินได้อีกต่างหากเด็กคนนั้นเดินเข้ามาหาผมใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับยิ้มให้ผมด้วยแต่รอยยิ้มนั้นมันกว้างผิดปกติมันค่อยๆฉีกกว้างออกไปเรื่อยๆผมรู้สึกกลัวมากจึงตะโกนเรียกตาที่เข้าไปในไรแต่เรียกยังไง ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาผมหันไปเห็นมีดของตาที่วางไว้อยู่บนกระต๊อบจึงรีบไปหยิบแล้วเคลื่องใส่มันไปจากนั้นผมก็วิ่งแหกป่าตะโกนลั่นเข้าไปในป่าวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมจนเห็นแม่นั่งอยู่ไกลๆตรงชายไร่มันสำปะหลังผมตะโกนลั่นเรียกแม่แม่ผีหลอก ผมวิ่งไปร้องไห้ไปจนพ่อและอาที่อยู่ไกลๆมาเห็นเขาจึงรีบทิ้งจอบแล้ววิ่งมารับผมพ่อกอดผมแล้วพูดว่าเป็นอะไรลูกผีหลอกครับพ่อเมื่ออาที่อยู่ไกลๆ ไ, ได้ยินก็รีบวิ่งไปหยิบจอบเพื่อจะไปหาตาแล้วถามผมว่าแล้วตาล่ะไอ้หนูตอบเร็ว ผมก็บอกว่าไม่รู้อ่าจึงเข้าไปตามหาตาสักพักก็กลับออกมาพร้อมกับตาตาบอกว่าได้ยินเสียงผมเรียกก็เดินกลับมาพอมาถึงที่กระตอบก็เห็นผมวิ่งไปแล้วตาก็เลยรีบวิ่งตามมานี่แล้วก็เจอกับอาพอดีสักพักหมาองผมก็วิ่งกลับมาทาั้งทั้งที่พวกมันหายไปไหนก็ไม่รู้ พอมาถึงก็มาล้อมผมแล้วก็ทั้งดมทั้งเลียจากนั้นพวกมันก็วิ่งกลับไปที่กระต๊อบหลังจากเหตุการณ์ที่ผมเจอนั้นทุกคนก็พากันกลับบ้านทันทีโดยตากับอ่าเดินกลับไปที่กระต๊อบเพื่อเอาข้าวกลางวันหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครพาผมเข้าป่าอีกเลยซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่า สิ่งที่ผมได้เจอนั้นมันคืออะไรโรงแรมผีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ตรงจากอ่อนและเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันมันเกิดเมื่อปี2557ช่วงเดือนพฤษภาคมอ่อนทำงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งคณะนั้นกำลังจัดงานทัวร์คอนเสิร์ตไปตามจังหวัดต่างๆรวมทั้งหมด50จังหวัดการทำงานต่างจังหวัดนั้นอ่อนจะได้นอนในโรงแรมที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเจอโรงแรมแบบไหนหรือต้องเจออะไรในโรงแรมบ้างอ่ อ, อนและทีมงานในบริษัทจะเดินทางออกจากกรุงเทพกันทุกวันพุธหรือพฤหัส แล้วแต่ว่าจะไปจังหวัดไหนใกล้หรือไกลครั้งนี้เธอและทีมงานก็ออกเดินทางตามปกติเหมือนเช่นที่เป็นมาคืนหนึ่งออนและทีมงานกว่าจะเดินทางมาถึงโรงแรมในนครนายกก็ค่อนข้างดึกแล้วเพราะเดินทางกันมาจากอีกจังหวัดหนึ่งทีมงานที่มาด้วยกันก็มีหลายคนเมื่อมาถึงโรงแรมออนมองขึ้นไปบนดาดฟ้า เธอเห็นเงาดำๆยืนอยู่กลมใหญ่ออนจึงหันไปบอกเพื่อนๆว่ามีคนมายืนต้อนรับเต็มไปหมดเลยเมื่อทุกคนได้ยินก็หากันแต่ออนยืนยันว่าเธอเห็นจริงๆเมื่อทุกคนเข้ามาใดโรงดรมและรับกุญแจห้องแล้วต่างคนก็เตรียมแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพราะออนล้าจากการเดินทางเต็มที แต่สำหรับอ่อนที่มักจะสัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกๆหลายครั้งที่เธอเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นเมื่ออ่อนก้าวเท้าเข้ามาในโรงแรมเธอสัมผัสถึงบรรยากาศที่วังเวงมากมองไป ร, บรอบๆไม่เห็นใครนอกจากทีมงานของเธออาจเป็นเพราะเวลานั้นดึกมากแล้วแขกคนอื่นๆจึงเข้าห้องพักกันหมดแต่ถึงแม้จะปลอบใจตัวเองอย่างนั้น เสียงในใจของอ่อนกลับคารว่าคงมีแค่ทีมงานของเธอเท่านั้นที่มาพักโรงแรมในคืนนี้ระหว่างที่เดินไปตามทางเดินบรรยากาศเงียบสงัดจนน่าขนลุกเธอสังเกตว่าไม่มีใครเดินสวนกับพวกเธอเลยเมื่ออ่อนเดินมาถึงห้องที่เธอจะเข้าพักก็ค่อยๆเปิดประตูไปดูข้างในห้องเห็นข้าวของในห้อง มีสภาพเก่าในห้องมีกลิ่นอับคล้ายกับว่าไม่ได้เปิดใช้มาเป็นเวลานานพอออนลองเดินเข้าไปในห้องน้ำก็เห็นเส้นผมอยู่ในอ่างล้างหน้าและเห็นว่ามีการทาสีทับคราบอะไรสักอย่างเธอเดินออกมาจากห้องน้ำก็มองไปยังเตียงที่มีขนาดสมฟุตรครึ่งสองเตียงขณะที่มองไปยังเตียงเตียงหนึ่งออนก็ต้องพังงา เพราะเสียววินาทีนั้นเองเธอเห็นคนกำลังนั่งหันหลังอยู่บนเตียงซึ่งเพื่อนที่พักห้องเดียวกันกับอ่อนไม่เห็นคนคนนั้นอ่อนบอกกับเพื่อนว่าเรานอนที่นี่ไม่ได้ห้องนี้มีคนอยู่แล้วทั้งเพื่อนและอ่อนก็มองหน้ากันไปมาแล้วลงความเห็นว่าห้องนี้สภาพน่ากลัวเกินกว่าที่จะข่มตานอนได้ ไม่เพียงแต่ออนและเพื่อนร่วมห้องเท่านั้นเพื่อนคนอื่นๆที่เข้าไปสำรวจห้องของตัวเองก็รู้สึกอย่างเดียวกันอ่อนและคนอื่นๆตัดสินใจมารวมตัวกันที่ห้องของรุนพีที่ชื่อกวางซึ่งก่อนหน้านั้นรุนพีกสองคนชื่อฝนกับโบกําลังขนของเอาไปไว้ในห้องฝนก็เจอเหรียญอยู่ข้างๆเตียงมันเป็นเหรียญที่ดูแปลกตา มีสภาพเก่ามากไม่เคยเห็นมาก่อนและให้ความรู้สึกน่ากลัวจึงเลื่อนเตียงปิดไว้แล้วจึงออกจากห้องมารวมตัวกับคนอื่นๆที่ห้องของกวางหลังจากนั้นทั้งหกคนก็นั่งปรึกษากันว่าจะย้ายหรือทนนอนในโรงแรมนี้ต่อไปออนจึงเสนอว่าถ้าจะต้องนอนที่นี่จริงๆ เธอขอเดินสำรวจรอบๆชั้นที่พวกเธอต้องนอนสักหน่อยก็แล้วกันออนจึงชวนโนดเพื่อนอีคนออกมาเดินด้วยระหว่างที่เดินสำรวจออนก็ถ่ายรูปไปด้วยเธอสังเกตว่าห้องพักบางห้องปิดตายบางห้องเอาเลขห้องออกบางห้องเอาไวเเา้เก็บกุ้ยเก่าๆทั้งสองคนเดินต่อมาเรื่อยๆจนไม่หยุดตรงหน้าบันได ที่ข้างบันไดมีของวางระเกะระกะออนจึงถ่ายรูปเก็บไว้แล้วทั้งสองก็รีบเดินกลับไปที่ห้องของกวางออนและเพื่อนๆคุยกันว่าถ้าตัดสินใจนอนที่นี่คงไม่ได้นอนอย่างเป็นสุขแน่ๆ แ, แล้วต่างก็ลงความเห็นว่าจะออกไปนอนที่อื่นในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเตียงเลื่อนดังมาจากห้องของฝนกับโบ ทุกคนมองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรหลังจากที่ออนและเพื่อนๆตัดสินใจว่าจะไปนอนที่อื่นทุกคนก็แยกย้ายแบวของที่ห้องของตัวเองเมื่ออ่อนและโนดเดินมาถึงห้องของฝนกับโบทั้งสี่คนก็หันมามองหน้ากันด้วยความแปลกใจเมื่อกลับเข้าไปเอาของในห้องเตียงที่พี่ฝนเลื่อนไว้ตอนเจอเหรียญ มันเลื่อนกลับมาอยู่ที่เดิมพวกเธอรีบปิดประตูห้องแล้วรีบลงมารวมตัวกันข้างล่างออกจากโรงแรมแล้วไปหาโรงแรมม่านรูดนอนคืนนั้นพวกเธอทั้งหกคนไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนั้นเลยเช้าวันต่อมาออนจึงถามทีมงานที่เหลือที่ยังพักในโรงแรมนั้นว่าเป็นยังไงบ้าง เจออะไรแปลกๆบ้างไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้นอนเลยเล่นไพ่กันจนถึงเช้าระหว่างที่ออนและทีมงานกำลังนั่งรถไปสถานที่จัดงานออนก็ดูรูปที่เธอถ่ายไว้ตามที่ต่างๆในโรงแรมเมื่อคืนอ่อนสะดุดกับภาพที่ถ่ายตรงบันไดเมื่อลองขยายภาพดูเธอเห็นเหมือนคนนั่งกอดเขา อยู่ข้างๆบันไดออนจึงส่งให้ทุกคนในรถดูทุกคนมองภาพแล้วก็ขนลุกไปตามๆกันมันเป็นประสบการณ์หลอนที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนประสบการณ์เจ อ, อยมมัดู ผมมีเรื่องเล่าสมัยที่ผมยังเด็กอายุประมาณสองสมขวบตอนนั้นยังจำความไม่ได้แต่คุณยายเล่าให้ผมฟังอีกทีเมื่อผมโตแล้วผมเป็นเด็กอีสารบ้านผมอยู่ติดกับถนนใหญ่ที่หน้าบ้านก็จะมีต้นมะยมอยู่หนึ่งต้นข้างๆบ้านผมก็จะเป็นร้านขายของเก่าถัดไปก็จะเป็นบ้านคนอยู่เรียงๆกันเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้น เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุม่มผมเพิ่งกลับจากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนข้างนอกมาพอมาถึงบ้านก็อาบน้ำแล้วก็ไปกินข้าวนอกบ้านกับครอบครัวหลังจะกินเสร็จก็กลับมาพอดูนาฬิกาอีกทีก็สามทุ่มกว่าๆแล้วในขณะที่ครอบครัวผมกำลังลงจากรถผมก็เห็นบางสิ่งจึงได้ชี้ไปที่ต้นมะยมหน้าบ้านแล้วถามคุณยายว่า ยายทำไมถึงมีคนตัวใหญ่ๆยืนอยู่บนต้นไม้ด้วยครับซึ่งตอนนั้นผมพูดได้บางไม่ได้บางเพราะยังเด็กและกำลังหัดพูดแต่คุณยายก็เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดจึงหันไปมองดูก็ไม่เห็นมีใครคุณยายพาผมลงจากรถแล้วบอกกับผมว่าไม่เห็นมีอะไรเลยสงสัยจะเป็นเงาต้นไม้แต่เมื่อผมลงจากรถ กลับเห็นสิ่งนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นไงนั่นไงครับคนนั้นไงตัวสีแดงแดงถือสมูดอะไรก็ไม่รู้เขามองมาที่เราด้วยครับเมื่อคุณยายได้ยินดังนั้นก็รีบพาผมเข้าบ้านสักพักก็มีคนข้างบ้านมาตะโกนเรียกที่หน้าบ้านตาของผมเลยออกไปเปิดประตูหน้าบ้านแล้วถามว่ามีอะไร คนคนนั้นได้ตอบกลับมาว่ายายคนที่อยู่ข้างๆบ้านเราถัดไปอีกหนึ่งสองหลังได้เสียชีวิตแล้วตายายและพ่อแม่ของผมทุกคนต่างตกใจแล้วตามเขาคนนั้นไปยังบ้านหลังนั้นในทันทีโดยที่เอาผมไปด้วยเราเดินกันมาไม่นานหนักก็ถึงบ้านหลังนั้นเพราะมันก็ไม่ได้ไกลกันมาก เมื่อไปถึงก็เห็นคนประมาณสิบกว่าคนอยู่ที่บ้านหลังนั้นซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขามาทำอะไรกันเพราะยังเด็กเมื่อผมถามยายว่าเขามาทำอะไรกันยายจึงบอกผมว่าเพื่อนของยายตายแล้วสีหน้าของยายดูเศร้าหมองแต่ด้วยความเป็นเด็กผมจึงไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่รู้ด้วยซ้าว่า ที่ยายพูดคืออะไรตายคืออะไรสักพักพ่อกับแม่ผมก็พาผมออกไปข้างนอกเพราะในบ้านคนเยอะมีเพียงตากับยายเท่านั้นที่ยังคงอยู่ข้างในเราสักพักตากับยายก็ออกมาโดยที่พวกเราพ่อแม่ลูกนั่งรอที่หน้าบ้านหลังนั้นระหว่างที่พวกเรากําลังเดินกลับบ้าน ผมก็ได้ชี้บอกกับยายว่ายายครับคนนั้นอีกแล้วยายจึงถามผมว่าคนไหนผมเลยบอกว่าคนตัวสีแดงๆไงครับยายแปลกใจแล้วหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นมีใครจึงถามผมอีกว่าเขาอยู่ที่ไหนลูกผมเลยตอบยายไปว่าที่หน้าบ้านหลังนั้นไงครับเขากําลังเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้ว ยายทำหน้าตื่นตกใจแล้วอุทานขึ้นมาว่ายมทูตพวกเราทั้งหมดจึงรีบพากันเดินกลับบ้านระหว่างทางยายก็บอกกับผมว่าคืนนี้อย่าลืมไหว้พระก่อนนอนนะลูกแล้วพวกเราก็กลับเข้าบ้านและรีบนอนกันทันทีเช้าวันต่อมาบ้านหลังที่มีคนตายก็ได้มีการจัดงานศพ ยายผมก็ไปงานศพของเพื่อนทุกวันจนถึงวันที่เผาส่วนตัวผมไม่ได้ไปเพราะที่บ้านผมถือว่าห้ามให้เด็กไปงานศพเพราะมันจะไม่ดีต่อตัวเด็กแม้ว่าตอนนั้นผมจะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันคืออะไรแต่เมื่อยายมาเล่าให้ผมฟังในตอนโตมันก็ทำให้ผมรู้สึกขนลุกอยู่เหมือนกัน สมภัทสิย